ตอนนี้ไปอากันตั้งใจฟังและก็ตั้งใจภาวนาให้ท้อมกับการฟังไปด้วย <c oughs> เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ ของเราพุทธบริศัททั้ทงหลายเพื่อจะมเ่เสียเวลาเวลาปฏิบัติและเวลาฟังการปฏิบัติก็ไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกการเลือกเวลาเที่ยวว่ากาลิกโก ไม่ประกอบการเวลาเพราะการปฏิบัติก็ไม่มุ่งอะไรทางนอกเหนือไปจากความสจ้าของจิตเราจะทำอะไรมันก็เพื่อ ความสงบของจิตเราล่ะนะเมื่อเรามาปฏิบัติเราก็มุ่งประเด็นความสงบเป็นหลักถึงเราจะฟังอยู่ก็ตามการกำหนดจิตของเรานี่ย มันอยู่เฉพาะแต่เฉพาะตัวของเราคนะือมันไม่ใช่ว่าจะไปอยู่ข้างนอกมันอยู่ภายในเมื่อเราฟังไปเราก็กําหนดไปทื่เราจะหาความรู้ในหะ้มันอยู่กับตัวเองหรือว่าหาความรู้ในตัวเอง คือเอาความสงบเดก่อนในเบื้องต้นในสมัยครั้งพุทธการของพุทธเจ้าที่พระองค์ไปทรงรแสดงธรรมเทศนานะผู้ฟังก็ปฏิบัติไปด้วยก็คือกำหนดจิตไปด้วย เมื่อจบธรร ม, มเทศนาล่ะผู้ฟังอย่างน้อยก็ได้ดวงตาเห็นธรรมคือบรรลุโสดาบันสูงที่สุดก็ได้สำเร็จเป็นพาาระอรหันในขณะการฟังเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังเติม มันก็ได้ประโยชน์ประโยชน์ในการฟังสุสัสสงลภเตยปัญญาฟังด้วยดีก็ย่อมได้ปัญญาอันนี้มันเป็นคำสอนขอ ง, ของพระพุทธเจา้าก็คือฟังด้วยดีนะ่ะมันก็ได้ปัญญานะี่ก็ได้ความสำเร็จน่ะนะ เขามาได้ปัญญาเพื่อฟังสาเร็จแม้แต่สาเร็จโซดาก็ปัญญาตะกีธาคาก็ปัญญาอนาคาก็ปัญญาอรหันตาก็เพราะปัญญานั่นแหะก็สาเร็จด้วยปัญญานั่นแหละต้องเจอต้นจนตลอดถึงปลาย ที่เราจะสำเร็จโดยบุญความสำเร็จของพวกเราก็คือสำเร็จโดยบุญโดยกุศลเดีจะให้สำเร็จเป็นอริยะอันนั้นเราก็ยกไว้ก่อนเราเอาความสำเร็จในทางบุญทางกุศลในทางความสงบเบื้องต้นก่อน เราเอาความสงบไว้ก่อนนะเพราะการฟังของพวกเราฟังเพื่อความเข้าใจในหลักของการปฏิบัติคือการปฏิบัติจิตก็ไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติอย่างอื่นก็เพื่อจิตของเราน้วนะให้ได้รับความสงบกัน เพื่อเราหากว่ามเพื่อความสงบมันเกิดขึ้นจากเรานใะนเรื่องว่าสําเร็จในการฝึงหรือว่าสําเร็จในการปฏิบัติรอเบื้องต้นของพวกเรานะ่ะก็เอาแค่นี้ก่อนนะเอาแค่สงบก่อนทําไมถึงจะเอาความสงบก่อน ที่ใการปฏิบัติธรรมนะถ้าขาดความสงบมันมันเป็นไปได้ยากมันลำบากถ้าจิตไม่สงบมันลำบากเราจะต้องอาเสยความสงบเป็นพื้นฐา น, นก็เป็นฐานที่ตั้ง ฐานที่ตั้งของการปฏิบัติให้จิตมันผ่าดหลักของความสงบแล้วมันไปยาคือมันปฏิบัติไ่ยาเราจรึงอาเสยความสงบก่อนในเบื้องต้นทีนีก่อนที่มันจะสงบนี่แหละมันก็เป็นปัญหา สำหรับเราชาวโลกเพราะความวุ่นวายนะ่ะมันก็มีมาแต่เบื่องต้นอันดับแรกมันก็คือความวุ่นวายนะนะ่ะโลกมันก็คือความวุ่นวายนะมันก็วุ่นวายของมันโดยอย่างนั้นแนะ่ะ มันก็ตั้งแต่เรานี่แหละไปอ่ะความวุ่นวายก็ตั้งแต่เรานี่แหละเป็นต้นไปเขาก็วุ่นวายความวุ่นวายนั่นอ่ะมันก็มีประจำโลกแต่สาเหตุมันก็ที่จะให้เราหาความสงบระงับาะเพราะมันมีความวุ่นวาย แต่ว่าโลกมันก็ต้องอาศัยความวุ่นวายนั่นแหะอาศัยความเป็นอยู่ด้วยความคิดด้วยความนึกเขาก็จึงอยู่ได้แต่เมื่อเวลามันเดือดร้อนมามันก็เป็นปัญหาสำหรับตัวเองเนี่ยทีนี้เราก็วุ่นวายกันมาพอแล้ว ที่นี่เราต้องการความสงบสุขในทางด้านจินธรรมเราจรึงมาแสวงหาความสงบนะความสงบมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปเอาที่ไหนเนะี่ยครั้งแรกก็เกิดการฟังนี่แหละแล้วเราก็กำหนดตามไปด้วย คือเราก็ประครองจิตของเราไปตามกระแสน่ยกระแสแห่งคำหน่อหมายถึงว่าความรู้ของตัวเองนั่นแหละตามกระแสแห่งความรู้ของตัวเองนั่นเราก็ตั้งจิตจิตใดจิตหนึ่งเอาไว้น่ะ ไปจุดที่ท่ามกลางหน้าอกของเรานะ่ะเราก็ตั้งเอาไว้ตรงนั้นแหละคือตั้งฐานตัวรนะู้นั่ะเราก็เอาไว้ตรงนั้นนะมันจะดีจะร้ายอะไรก็ตามมันจะหุ่นวายอะไรก็ตามมันเราก็อย่าไปสนมันลนะ่ะที่เราจะตั้งจิตเอาไว้ตรงนี้นะ่ะ ก็เพื่ออะไรล่ะก็เพื่อเป็นฐานที่ตั้งแห่งความสงบนั่นแหะเราก็จึงได้รวมความรู้เข้าไปตรงฐานที่ความสงบนั่นแหะที่ตั้งของความรู้นั่นแหะทีนี้เราอย่าส่งกระแสจิตไปทางอืน่นก็เหมือนกับว่า ใช่กระแสจิตของเราไปหาไฟก็ไปนำเอาไฟนั่นน่ะมาเผาตัวเองเพราะความฟุ้งซ่านนั่นน่ะเราจะระงับความฟุ้งซ่านนั่นน่ะเพื่ออะไรก็เพื่อความจบในตัวเองนะเมื่อความจบมันเกิดขึ้นในตัวเองน่ะ แต่ธรรมะมันก็เกิดในตัวเองนะคือเราจะหาธรรมะในตัวเองเดี๋ยวนี้ธรรมะในตำราเราทั้งหลายก็พากันทราบดีแล้วแต่ตำราหมวดไหนเรื่มไหนเราก็ได้ค้นกันมาแล้วเนะี่ย ในตำรับตำลานะเราก็ทราบดีคุณค่าของธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านพระองค์สอนเอาไว้แต่เราก็ยังหาพบในความเป็นจริงแห่งธรรมะที่พระองค์ได้สอนนั้นอยู่ที่ไหน เราก็จึงได้มาหาในใจของตัวเองนนะ่ยธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่ว่าจะอยู่ในตำรานิจะอยู่ในใจของเราเนี่ยนะแต่เราก็จึงได้พากันมาหาเนี่ยมาเสาะแสวงหาเนี่ย ที่เราจะแสวงหานะี่นะธรรมะในตัวเองเนะี่ยเราก็ต้องดาเนินความสงบก่อ น, นเี่ความสงบนี้ให้มันเป็นหลักไว้ก่อนก็ยถาขาดความสงบละธรรมะมันจะอยู่ที่ไหนละ่ะอะไรมันจะเกิดขึ้ น, นมันก็ไม่มีอะไรจะเกิดเลยนะ ผลับมันก็ไม่มีมันต้องอาศัยความสงบก่อนเนะมื่อความสงบมันเกิดขึ้นนะที่นี่เราจะทำงานอะไรเราจะตรวจอะไรพอใจเรามันมันไม่ได้ไปไหนละมันก็ตรวจได้มันตรวจได้ทางรูปธรรม มันก็ตรวจได้ทางนามธรรมแต่ลูกเขาทำเราก็รู้แล้วเนี่ยก็ได้แก่ตัวคนรากายเรานี่นนะธาทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าก็คือธาตุสีนี่แหละรวมแล้วก็เป็นลูกธรรม ก็มันก็จะไปรู้อะไรก็รู้อันนี้แหละรู้รูปธรรมก็รู้อะไรรูปธรรมมันเป็นอะไรก็รูปธรรมล้วก็รู้แล้วว่าที่พระองคนะ์บอกเอาไว้นะ่ะคือมันเป็นนาทีจังน่ะสิ่งที่มันไม่เที่ยงก็คือรูปธรรมนี่แหละ ิงที่มันเป็นทุกข์ก็คือลูกธรรมเนี่ยก็เมื่อลูกธรรมเนี่ยมันไม่เที่ยงลูกธรรมมันเป็นทุกข์ที่นี่ความเป็นสุขของใจล้วมันอยู่ที่ไหนสิคือความทนไม่ยากนะแต่เพราะความไม่เที่ยงก็ทนไม่ยากเอามันก็ทนได้ยาก เมื่อการรู้แล้วเนี่ยอันนี้มันแน่นอนที่เราอยู่อาศัยก็คืออาศัยรูปธรรมที่เราทำงานทำการทำมาหาอยู่หากินอยู่ทุกวันเพราะรูปธรรมนะแต่นามธรรมนะ่ะมันเป็นเจ้าของของรูปแต่รูปธรรมนะั่นะ แต่มันก็ไม่คงทนเดี๋ยวมันก็จะแตกดับความแตกดับนั่นแหละก็เพราะรู้ธรรมนี่แหละก็อพระพรุทธเจ้าก็ให้มาพิจารณาให้มารู้เท่าเอาทันเนี่ยความแตกดับความไม่เที่ยงไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์ ก็เป็นทุกข์กับใครเป็นเจาของเราก็บอกมันไม่ได้ก็จริงเหล่านี้แหละก็มันเป็นของที่แน่นอนแหละเรารู้ว่ามันแน่นอนแต่สำหรับ น, นามะนะนามธรรมนะนามธรรมตัวนี้แหละ ที่มันยังทรงตัวอยู่นะ่ะมันจะต้องรับภาระภาระของนมามธรรมนั่นแนะ่ละมันก็ต้องไปก่อรูปธรรมอีกนะคือมันจะต้องเที่ยวไปมันก็เป็นนักท่องเที่ยวสินามธรรมนี่แหละมันเป็นนักท่องเที่ยว ที่มันท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรเนี่ยก็นามธรรมมันออกจากลูกธรรมมันนี้แหละนามธรรมมันั้นก็จะต้องเที่ยวไปอีกแล้วก็ไปหารูปธรมมปธรมอีกไอ้รูปธรรมนั่นก็เป็นของที่ไม่เที่ยงอีกความไม่เที่ยงนั่นแหะ มันก็เป็นไฟของมันอยู่ตลอดอ่ะนี่สำหรับรูปธรรมคือมันมีการเปลี่ยนสับเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยแต่ลรชาติละาพบนี่เรียกว่ารูปธรรมแต่นามธรรมนะ่ะมันตัวเดิมก็ของเกา่านั่นลหละแต่มันก็เที่ยวไป แต่เที่ยวไปสะเสวงหาตามหนะ้าที่ของนา ม, มาทำนะั่นแหละแต่การเที่ยวไปมันก็ต้องอาศัยสเสบียงถ้ามีสเสบียงการท่องเที่ยวมันก็สะดวก ส, วกสิถ้าไม่มีสเสบียงละ่ะการท่องเที่ยวมันก็ไม่สะดวกก็ได้แก่บุญกุศลนั่นแหละ ที่เป็นกระเบี่ยงของนักท่องเที่ยวของเราแต่และคนที่เราจะเที่ยวไปเนี่ยแต่การไปของเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปไหนละ่ะไอไปเนี่ยมันไปแน่ล่ะไอนักท่องเที่ยวน่มันเที่ยวแน่แน่ล่ะแต่ไม่รู้ว่านักท่องเที่ยวมันจะไปไหนละ่ะจะไปอยู่กับใครจะไปเที่ยวกับใครอีก มันก็หาทราบไม่ยิ่มันก็ไปด้วยความเมืดก็พวกเราเนี่ยมันก็จะต้องไปยังไงก็ยังหาทีา่ทราบไม่ยิ่งเลยคือนักท่องเที่ยวเรานี่ยนะเราจะเที่ยวไปไหนล่ะแล้วมันมีอะไรไปบ้าง จะเบียงมันพร้อมหรือยังนะก็จะเบียงสําหรับที่จะเป็นที่อาศัยของนักท่องเที่ยวเป็นที่จับใจใช้สอยเพื่อความสะดวกและสบายของตัวเอง อย่ามันพร้อมหรือยังแต่สำหรับอันนี้ละ่ะมันเป็นปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาสำหรับนักท่องเที่ยวเราแล้ม ว, แวมันจะเที่ยวไปตรงไหนแต่ที่เที่ยวมันก็เยอะนี่มันมีทั้ง ฝ่ายต่ำและฝ่ายสูงนะถ้าไปทางต่ำถ้าตกไปในทางต่ำมันก็พวกอบายภูมนะิที่มันจะเที่ยวไปภนะูมิที่หาความจเจริญไม่ได้นยมันก็ขาดสเสบียงในทางที่เป็นกุศลแต่นักท่องเที่ยวมันก็จะไปทางนั้นอยดี พรอบายภูมิมันอะไรล่ะกั น, ร, นรกเทสชาติและสันนิูฐระใกล้แต่ล้วนแล้วเป็นอบายภูมิคือภูมิที่หาความเจริญไม่ได้นี่ทางของนักท่องเที่ยวถ้ามันมีเสียงมันก็ไปทางสุขติสิ สุขติคือทางที่จะไปสู่ความสุขจะไปสุขที่ไหนล่ะตอนแล้วไปอำนาจของสเสบียงตัวเองเอก็คือบุญกุศลจะส่งไปถึงไหนล่ะและจะนำพาเราไปเที่ยวที่ไหนมันขึ้นอยู่กับ รเบียงของเรานหะแม้แต่เราจะทำอะไรนะคิดว่าเราจะทำดีแล้วนะแต่การรับรองตัวเองนะมันไม่มีใครรับรองนะแต่ทำดีกับโลกทำได้โยแต่ส่วนภายในนะ่ะมันไม่มีใครรับรองใครนะ แล้วก็ไม่มีใครเห็นใครอีกว่าเราจะไปตกแห่งหนตำบลใดอันนี้มันยากอยู่นะจะพูดถึงสภาพของจิตสภาพของนักท่องเที่ยวแต่นักท่องเที่ยวเราก็คืออะไรก็คือจิตนี่ละ ก็ไม่ใช่อะไรหรอก็คือจิตใจของเราเนี่ะที่มันจะเที่ยวไปข้างหน้าที่เราศึกษากันอยู่ที่ว่านามธรรมก็นามธรร ม, า น, า ม, มานี่ลหละมันเป็นนักท่องเที่ยวแต่เที่ยวไปในนี้ล่ละในสองข่ายเนี่ย คายอบายภูมิค่ายสุขติแต่เราจะหนีจากอบายภูมิมันก็ยังยากแค่จะไปสู่สุขติยังยากส่วนภายในเนี่ยมันไปยากนะแต่ส่วนภายนอกเนี่ยเราก็พอมองกันได้ว่าคิดว่าจะไปตรงนั้นแหละ คิดว่าจะไปดแีแต่ความไม่ดีมันแฝงอยู่นะั่นแ่ะมันแฝงในตัวมันนะก็เพราะอำนาจของกิเลสนี่ไนะอ้นมามธรรมก็ไม่ใช่ว่าจะหยุดเพื่อความปลอดภัยเมื่อไหรนะ่ ก็มันมีสิ่งที่จะประคับประคองมันอยู่หรอมีสิ่งที่จะต้องบังคับมันอยู่ห่ะนามธรรมาคือพวกกกลียดนี่นแหละแต่พวกเก็สิกแหละความเจ้าหมองของตัวเองแหะความเจ้าหมองในนามธรรมาแ่ะเพามันมีความเจ้าหมองในตัวล่ะ ความเจ้าหมองนะ่ะมันจะพาไปในทางบริสุทธิ์ได้หรือมันก็นำพาเราไปทางความบริสุทธิ์ไม่ได้ น, ะนี่แหละนามธรรมามันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นอิะนะ่ะการท่องเที่ยวไม่ใช่ว่ามันจะเป็นหิสฉะ มันมีผู้บังคับบัญชามันอยู่คือกิเลสก็พวกกิเลสตัณหาเนี่ยแหละพวกอวิชชาเนี่ยพวกนี้แหละมันพวกที่จะแอบแฝงอยู่นั่นน่ะที่ให้มองไม่เห็นว่าการไปมาของนักท่องเที่ยวะจะไปเรือความสะดวก ที่จะไปถึงาภาคฝั่งคือเมืองอมตะนี่มันยากแต่ท่องเที่ยวอยู่ในสังฆราวาสนี่มันได้อยู่หรอกมันก็เปลี่ยนกันบางทีมันก็ไปทุกขติบางทีมันก็ไปทุกขติคณะท่อ ง, งเที่ยวมันก็เที่ยวอยู่แค่นี้นะ แต่ถ้าไปทางสุขตินะี่ยมันก็ยังพอทําเนาก็ถือว่าเรายังมีสเสบียงคือผู้สนนจิตไปด้วยไอ้ความสุขนั้นก็ยังที่จะสนองตอบเราบ้างก็เหมือนกับเราทุกวันนี่แหละสเสบียงของเราก็คือสุขตินะั่นน่ะมันตามมาด้วย เขาจึง น, นำให้เรานะมีความตกอยูนะ่ในความเป็นมนุษย์เราเขายังมีสเสบียงของเราอยู่สเสบียงคือกุศล น, นันที่เราได้ทำมาเนะ่ะมันตรอา ม, มาอยู่นันะ่นนะนี่ในเมืองมนุษยนะ์คนที่มันขาดสเสบียงล้วก็พอมองออกอยู่แล้วนะ ที่นี่เราก็มาเสริมเบียงของเราเนี่ยที่เราจะท่องเที่ยวไปข้างหน้าอีกที่นี่การที่เสริมและเสบีย ง, งนี่แหละเราก็ควรที่จะหยุดชะ ง, งักครับ พักใมันอยู่ด้วยความสงบสก่อนพักอยู่ด้วยความสงบสก่อนเพื่อเอาความสงบนั่นเป็นที่พักของเขาสก่อนเมื่อเขาพักด้วยความสงบเรียบร้อยดีแล้วทีนี้เราจะเดินทางในทางไหนนั่นนนันล่ะเราก็ดูเอาตรงนั้นล่ะ เราจะไปกันตรงนั้นอนะ่ะเพราะเราพักหาหนทางพนะักเพื่อดูคิดทางของตัวเองก็ก่อนก็คืออยู่ด้วยความสงบนั้นอนะ่ะก็อาศัยความสงบนี่นะความสงบก็เกิดจากการปฏิบัตินี่นะความสงบมันก็เกิดจากการกระทําเนี่ย หรือว่าการฟังของเรานี่นะก็อาศัยการฟังนี้แหละอาอาศัยการกำหนดจิตของเรานี้นเะพื่อมันจะได้พักผ่อนก่อนแล้วจะได้หลบมุมเข้าไปสู่ความสงบนั่นนะเมื่อจิตมันมีความสงบแล้ว แล้วมันก็จะได้รู้ช่องทางของตัวเองเนอะมันจะเดินทางไป้างหน้ามันจะไปทางไหนทางที่มันจะถูกต้องมันตรงไหนสิ่นรำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านะเราก็ได้ศึกษามาแล้วเราก็รู้มาแล้ว เราก็เข้าใจมาแล้วแต่เราจะมาทำตามคำสอนของบุทธลเจา้านันแหละเพื่อสำหรับหาหนทางที่จะเดินหน้าต่อไปก็ไม่ใช่ว่าเราจะปฏิบัติเพื่อ น, นอกรีบนอกรอยอะไรปฏิบัติตามคำสอนของบุทธลเจา้า ก็คือสินคือสมาธิและปัญญาเนี่ยเราจะดเนินจิตของเราเข้าไปสู่สมาธิก็คือความสงบเนี่ยต่อความสงบนี่แหละจะได้นำความสว่างมาให้ตัวเอง และตัวเองก็จะได้รับความสว่างในความสงบนะความเป็นสมาธิหมายว่ามันเกิดความสว่างในตัวเองห่ะก็มันก็ต้องรู้หนทางสิแต่ทางตัวเองจะไปทางไหนล่ะกัความสว่าง ความสว่างมันมีในตัวล่ะมันก็ต้องมองเห็นดิถ้าความสว่างไม่มีนะ่ะมันจึงยากเดี๋ยวเนีนะ้มันก็เมื่อเตือนเะืออยู่นั่นไม่รู้ว่าจะไปทางไหนไม่รู้จะไปเที่ยวทางไหนหาที่ต้องเที่ยวก็ยังไม่มีเลย เพราะมันมดนะืด่อเนี่ะเพราะมันยังไม่รู้จักทางนะ่ที่มันไม่รู้จักทางก็เพราะอะไระเพราะความสว่างไม่มีในตัวเองเนะี่ยแล้วความสว่างไม่มีในตัวเองหรอเพราะอะไรเพราะขาดความสงบก็เมื่อมันขาดความสงบแล้วละ่ะ เจะเอาความสว่างมาจากไห น, นที่มันขาดความสงบมันเพราะอะไรก็เพราะตัวเองไม่ทําพอเมื่อทําแล้วล่ะก็ตัวเองไม่เข้าใจล่ะแล้วก็ไปใช้แต่ความคิดของตัวเองอยู่นั้นล่ะไปคิดว่าตัวเองได้ล่ะแต่เมื่แต่คิดแต่ความสงอบอยู่ที่ไห น, นล่ะ ก็บอกให้สงบแต่ก็อย่าไปสงบแต่ก็ไปคิดอยู่แล้วจะเอาความสว่างเอาความสงบมาจากไหนขาดความสงบแรือความสว่างมาจากไหนถ้าขาดความสว่างหรือความรู้ทางเห็นทางมันอยู่ทางไหนมันก็ได้แต่ความคิดนั่นแหะมันก็ได้แต่ความรู้ที่เราศึกษามาตอนนั้นะ แต่ความเห็นในตัวตัวของเขาเองลนะ่ะมันอีก อ, อันหนึ่งต่างหากนะตัวตำรานะ่มันอีกต่างหากรู้ในตำรามันอีกต่างหากแต่มันรู้ในตัวเองอนะที่มันจะเกิดความสว่างในตัวเองเนะี่ยมันก็อีกต่างหากที่มันจะไปนะ เราก th <c oughs> ็ต้องดูเอาก่อนที่ต้องทำความสงบก่อนที่ขาดความสงบมันก็ไม่เห็น <c oughs> นะี่เพราะฉะนั้น่เอาความสงบเนี่ย เป็นลากฐานของการปฏิบัติก่อนว่านักท่องเที่ยวที่เราจะต้องเที่ยวไปก็ให้มันเห็นเห็นหนทางซะก่อนก่านมันจะเห็นหนทางมันก็ต้องสงบก่อนที่หยุดซะก่อนที่ก็มัวจะไปคิดอยู่นั่นแล้ก็ไม่รู้ว่าจะคิดไปไหน แต่เวลาหยามได้ก็อยากได้ความสงบแต่เวลาทําแล้วก็ไปใช้แต่ความคิดก็คิดหาความสงบก็เวลามันสงบเราก็ไม่จะไปคิดที่นี่มันจะเอาความสงบที่ไหนมันก็เรื่องของเราน่ะ ที่นี่ถ้ามันไม่สองอบแล้วรความสว่างในการเดินทางเรามันยากนะสำหรับนักท่องเที่ยวโรยที่จะเที่ยวอยู่ในสังสารวัตเนี่ยเที่ยวอยู่ในวัดตา ต่างคน ต, ต่างระวังเอานะ <c oughs> <c oughs> ระวังนักท่องเที่ยวตัวเองแต่ละคนก็ให้ระวังเอาเองแต่ละคนก็ให้รักษาเอาเองแต่ละคนก็ให้ดูแลเอาเอง ย่าพากันประมาทสิ่งที่เราอยู่อาศัยทุกวันเนี่ยคือรูปธรรมเนี่ยมันมันเป็นของเก่บแน่นอนไม่ได้หรอกเอาแน่นอนไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าเราจะจากกันเมื่อไหร่ลูกก็ดีนามก็ดี มันก็จะจากกันอยู่แน่ๆเลโลูกเนี่ยเขาก็จะต้องเอาไปทิ้งละน้ำเราก็ไม่รู้จะไปไหนละเป็นของไม่แน่หรอกทำไปสิ่าที่เราทำงานไปละก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ส่วนภายในเน่ก็ให้มีความสำนึกบ้าง ทำยังไงนักท่องเที่ยวเราน่ยนะที่เราจะท่องเที่ยวไปข้างหน้าและมันจะจากกันกับลูกทำเราจะเอาอะไรไปบ้างก็ปัญหามัน่ะมันปัญหามันอยู่กับ น, นามธรรมน่ะ ตัลูกทแล้วก็รักษาแล้วก็รักษามันมาตลอดอะแต่แรกเกิดจะมาจนถึงบัดนี้อะจนจนถึงจะแจกจากกันอะเรื่องไอลูกทมแต่ปานนั้นอะมันก็ยังไม่ไวายที่จะให้โทษเราจีนั้น ก็คือความไม่สบายมันก็ต้องมีที่ความเจ็บความปวดมันก็ต้องมีคนสุดท้ายมันก็ต้องจา ก, กันดีๆนี่ะเรื่องจา ก, กันนี่ยมันเป็นของที่แน่นอนนะห้ามไม่ได้หรอกให้พวกเรานี่ยก็พากันเตรียมตัวกันะเตรียมจิตเตรียมใจตัวเองนี่นะ ตเตรียมในนี้ล่ะก็ไม่ใช่ว่าจะไปเฉพาะแต่ภายในวัดะที่ไหนมันก็เปลี่ยนไปหมดนในวัดเราเอาตัวของเรานี่เป็นวัดเป็นที่เป็นที่แห่งสงเป็นธรณีสงมันก็ได้ เ, เพ ร, ราะสถ า, า, า, า, า, า, า, า, านที่บำเพ็ญกุศลเนี่ยมันอยู่กับเราแต่วัดมันก็อยู่กับเราวัดบุญวัดบาปบัตรศีลวัดธรรมมันก็อยู่กับเรานแล้วก็มาเตรียมตรงนี้หล่ะเหมนกับเรามาทํากันอยู่นี่ล่ะแล้วก็ทํานี่ไม่ใช่ว่าก็ฐานที่ สงสงบนเลเป็นที่ทำงานของราชการแต่เราก็ยังบำเพ็ญกุศลได้และทำประโยชน์ในทางที่เป็นกุศลได้ก็เราไม่ได้เอาแต่าฐานที่เราเอาตัวเราการทำอย่างนี้ทำที่ไหนก็ตามแล้วก็ ตัวเราตรงนั้นลราเป็นผู้ทําก็ยึดเอาตัวเราเนี่ยนะศีลมันก็อยู่กับเราสมาธิก็อยู่กับเราปัญญาก็อยู่กับเราบุญมันก็อยู่กับเราบาปมันก็อยู่กับเราเราไม่จําเป็นจะไปยึดสถานที่หรอกเอาตัวของตัวเองเป็นสถานที่ พรพะนักต้องเที่ยวมันเที่ยวมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มาอยู่แล้วที่นี่มันก็จะออกจากนี่ไปมันก็จะไปที่อื่น อ, อีกมันก็เที่ยวไปอีกนะเราจะต้องทำดีเอาไว้เอาจะถานที่อันนี้จะเป็นวัดเป็นที่บำเพ็ญกุศล คำว่าว <walker? S 1> ัดก็คือสถานที่บําเพ็ญกุศลเป็นสถานที่บําเพ็ญความดีเรียกว่าวัดก็คือตัวเราเนี่ยบำเพ็ญกุศลก็คือตัวเราเนี่ยบำเพ็ญคุณเอวความดีก็คือตัวเรานี่ยบำเพ็ญในเกิดมรรเกิดผลแต่เมื่อมันเกิดมรรเกิดผลก็เราล่ะ แล้วัดมันู่ตรงไหนทีนึงมันก็อยู่กับเราก็เราทำให้มันเกิดขึ้นจากเรานะแต่สมมติเราตรงนี้สิเมื่อมันเกิดขึ้นตรงนี้ล่ะแต่แสดงว่าตัวของเรานะ มันเป็นอะไรสิก็เป็นสถานที่บาเพ็ญกุศลไม่ใช่หรือนั้นเราพวกนักปฏิบัติของเราทั้งหลายเนะี่ยให้พากันชิดกันสั้นและย่นเข้ามาหน่อยอย่าไปตีกว้างอนะมันมากนักจะเสียเวลาในความเป็นอยู่ของการปฏิบัติเรา เพระอายุของเรามันก็เหลืออยู่น้อยเดียวแต่ละคนละคนเหลืออยู่น้อยเดียวแล้วมันจะไม่ได้อะไรที่จะเป็นเสบียงของตัวเองที่จะเดินทางไปข้างหน้าหรือว่าพอที่จะหยุดในการเดินทางก็หยุดซะหยุดตรงไหนล่ะก็หยุดในถ้ากลางน้าอกเรานี่น่ะไม่ต้องไปต้องมาก็ได้ ก็วัดตรงนี้ก็อยู่ก็วัดนี่แหละถ้าไม่อยาท่องเที่ยวอีกถ้าไม่อยาไปอีกก็หยุดสิก็อยู่ที่วัดตัวเองเนี่ยมัวจะไปสร้างนี่นั่นแหละมันก็จะยุ่งยากขึ้นสร้างแล้วก็ไม่เห็นว่าไปไหนอีกล่ะก็ว่าแต่ได้บารมี ต่เวลานั้นก็ไปดูที่ว่าผู้สร้างไปถึงไหนล่ะมันก็ไม่ไปถึงไหนล่ะสร้างวัดภายนอกจะสร้างวัดภายในจะยุด ไม่ต้องไปต้องมาเนะ่มันก็หมดปัญหานะ่ละแต่การกระทำแบบนั้นมันก็เรียกว่ามันเป็นที่สิ้นสุดของการเดินทางของนักท่องเที่ยวก็ได้เจอความเป็นอหรหันนั่น่หละจะพูดจะสมมติจะว่ากันนะแต่มันก็เป็นไปได้ยากที่จะให้มัน สำละกิเลสในการเดินทางเพราะออกิเลสมันยังมีอยู่มันก็ต้องส่งไปอีกทำห้เราเดินทางไปอีกนะถ้าหมดกิเลสนะจะสิ้นหนทางเท่านั้นแนตะมีอย่างเดียวก็คือว่านิพพานังพมังสุขัง น, ะนั่นแนะ่ละถ้าหมดกิเลส อย่างนี้กิเลสยูก็ต้อเที่ยวไปนี่ธรรมชาติธรรมคือธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนี้นะจวกโลกนะพะพุทธองค์ก่อนที่จะหนีจากโลกก็พรา อ, องค์มาพิจารณาอย่างนี้แหละหนีก็ดีกว่านะั่นถ้าไม่หนีก็ไม่แล้ว อ้นี้ก็สร้างอยู่อย่างนี้แหละที่ในกรณ์ที่จะหนีได้เนี่แหละเพระองค์ก็ใช้เวลาเป็นการลําบากเหมือนกันแนตะ่พระสงฆ์บาทีมันง่ายมาฟังธรรมล้วก็ได้สําเร็จไปเลยแต่วพวกเราเีาจะเมื่ อ, อไหร่จะได้สําเร็จก็ไม่รู้ล่ะเก็ทํากันไปละทําบุญทํากุศลไป หมดกิเลดเมื่อไรแล้วก็ไปเมื่อนั้นละ่ะแต่ยังไม่หมดก็ทำบุญกันไปแต่ทำกันไปอย่างนี้แหละนี่ลายพากันทำความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติเพื่อจะให้มันกระทัดรัดบางสิ่งบางอย่างก็ไม่พอที่จะให้มันเนืน่นชาก็อย่าให้มันเนืน่นชา พอที่ตัดกระแสโลกได้ก็การตัดกระแสเป็นบางอย่างไปบ้างเพื่อจะได้ย่นหนทางในการที่เราจะเดินไปข้างหน้าถ้าอย่างนั้นก็หนทางมันก็ยืดยาวข้าวไกลไปเหกีพืกอเลยไม่รู้จักย่นหนทางตัวเองแสนชาติก็แสนชาติอย่างนั้นแหละแสนชาติมันเหลือเยอะสกติบชาติก็ยังดี สิบชาติที่เหลืออยู่มันเหลืออยู่ทั้งสามชาติหทางมันจะได้ใกล้เข้ามามันจะได้ยน่นเข้ามานี่อันนี้มันยังไกลยอยู่นี่นักท่องเที่ยวเรามันยังเชื่อไม่ได้นะแล้วก็พากันเตือนตนด้วยตนเองพอที่จะ ดาเนินจิตการของตัวเองในทางความสงบได้หายฟากันเดินเข้าไปหาระบบความสงบในจิตของตัวเองให้ได้สิ่งเหล่านี้มันก็จะรู้ของมันเองหรอกไม่ต้องมีใครไปบอกให้มันยากหรอกก็มันสงบแบบมันไม่มีใครไปบอกหรอกมันจะรู้ของมันล่ะ ตกกระทุ ก, ทกมกันก็รู้ล่ะดีหรร้ายมาันก็จะรู้ล่ะมันขาดยู่ความสงบนี่ล่ะมันยากอยู่เดี๋ยวเนี่ยแต่จะขขปีความสงบไปขัวซะอันนี้มันลําบากเพราะฉะนั้นล่ะให้พากันตังต้งอกตั้งใจหาความสงบให้แก่ตัวเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ส่วนครูบาอาจารย์นั้นก็แต่ละองค์ละองค์ท่านก็จากเรไปแล้วแต่เหลืออยู่ก็ไม่เท่าไร่ที่จะมาแนะนำธรรมสอนพวกเราเนะี่ยก็ยากแต่อพอที่จะเล่งตัวเองได้ก็เล่งไปซะในขณะนี้ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ละองค์ก็ค่อยล่มไปล่มไปล่ะ ค่อยหมดไปทีละท่านละท่านไปนี่พวกเราก็จะขาดครูบาอาจารย์ไปก็มีแต่เหลือรุ้นมีแต่รุ่นใหม่เกิดขึ้นรุ่นเก่าท่านก็จากไปต่อไปเราก็จกจากเช่นเดียวกันนั่นละคิดเอาอย่างนั้นก็แล้วกันเพราะฉะนั้นละ ที่ได้แสดงมาเนี่ยก็เป็นเวลาพอสมควรขอยุดติในการแสดงธรรมเทศนาเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยเอกาละาชน่